พอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านพุกฟังทลายแต่รมงประโพธิยานได้นำเสนอบารมีสิบประการมาโดยำลำดับแต่ว่าในภาคสนามจริงๆบารมีเหล่านี้จะมีความเข้มข้นสูงขึ้นที่เรียกว่าเป็นฐานะบารมีฐานะกว่าบารมีและก็ฐานะประมัทบบารมี กือระดับปรมัติตเนี่เรียกว่ายอมเสียสละชีวิตอาจจะให้ทานชีวิตอาจจะรักษาศีลจนเสียชีวิตอาจจะรักษาขันติจนเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทาที่สูงยิ่งเพียงแต่ให้ได้มาซึ่งพระสัมโพธิญาณเท่านั้นแต่เพื่อเห็นว่าเรื่องการสร้างบารมีตาม ก็ต้องถือว่าตามคติของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นาศาสนาที่เปิดโอกาสให้แก่คนทุกคนคือถ้าเรามองแล้วคล้ายๆกับหมหาวิทยาลัยนะฮะเช่นมหาวิทยาลยามสุขไทยเนี่ยหรือแม้แต่เนติบัณฑิตยาสภาคือทุกคนมีสิทธิ์เข้า ถ้าว่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้แต่เวลาสอบจริงๆเนี่ยมันได้ไม่กี่คนพระพุทธเจ้านั้นยิ่งกว่านั้นหรือว่าผลระดับสูงในทางพระพุทธศาสนามันยิ่งกว่านั้นคือจำนวนคนจะน้อยลงมากก็กลายเป็นยอดแหลม ด้านการที่จะเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาสักุมตามคติพระพุทธศาสนากลายเป็นเรื่องใหญ่มากก็พูดกันเป็นกับกับกันกันนับกันไม่หวาดไม่ไหวก็วันก่อนได้เล่าถึงพระโพธิสัตว์ของเรานั้นได้รับพยากรในสำนักของพระทีปังกรพระพุทธเจ้าซึ่งว่ากาันตามความเป็นจริงในจำนวนพระพุทธเจ้ายี่สิบ แพระองค์เนี่ยยี่สิบเก้าพระองค์ต่อไปนะก็ยี่สิบแปดปัจจุบันเนะี่ยพระปังกรก็อยู่ระดับสามระดับสี่นะฮะระดับอันดับที่สี่ตระหนักรโรมหาวิโรเมทังกาโรมาเรโสสันังกาโรโลไกโตเนี่ยดิฟังกาโรจิตินโตก็อันดับที่สี่ตอนนั้นท่านท่านแผ่นเป็นดาบทได้พิญญา เปอ้เมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในผุมโลกนะฮะมโลกก็นานเกะกันเลยใเนี้ก็จุติมาอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าในสารกับคือในสารกับชี้หนึ่งในสมัยของพระพุทธเจ้าทรงพระนามปะโกนทัญยะก็จุติมาจากผุมโลกมาเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นพระเจ้าจากกักรพรรด ก็ด้วยบุญบา ร, รมีระดับสูงก็ทำมาบังเกิดในราชกุลเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงพระนามท่านบอกวิชิตาวีนะฮะประทับอยู่ณนะกรุงจันทบดดีตัวครองแผ่นดินอันเป็นที่อยู่แห่งนี้และขุมทรัพย์พร้อมทั้งคุนเขาสุเมนและยุคันธรทนรือมาความคองอยู่ในชมพูตวีปเหมือนเดิม ก็มีรัตนอ์นเอเนกนนท์แล้วปกครองบ้านเมืองโดยไม่มีอาดยาลักษณะหล่านี้พูดแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าคิดก็ก็ควรคิดนะนะคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติเนี่ยเราลองสังเกตว่ารามเกียรติเนี่ยทั้งยักษ์ทั้งฝ่ายพระรามมันเป็นความเชื่อว่าเทวดาจุติมาเพื่อช่วยเหลือกัน ก็ทําให้เรามองถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราโดยเฉพาะยุคพระราชโอรสราชติดาของพระจอมเกล้าพระบาทสเมเด็จพระจอมเกล้าฯนะก็คือพี่น้องของรัชกาลที่ห้าเนี่ยส่วนมากก็เป็นพระนุชาพระกนิษฐาคือเป็นยุคที่คนดีมาเกิดจำนวนมากจริงๆ แล้วก็สร้างสารรค์บุกเบิกสิ่งดีงามต่างๆเอาไว้จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกคือถ้าเราศึกษากติความเชื่อในแนวตรงนี้แล้วก็ดูในส่วนต่างๆของโลกนะศึกษาประวัติศาสตร์แบบประวัติศาสตร์จริงๆก็ต้องถือว่าเป็นยุคสมัยที่แปลกเพราะนักประหลาดในแต่ละสายเนี่ยมันเกิดเป็นยุคเป็นยุบเป็นยุบของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย เราเห็นว่าท่านก็เกิดมาในยุคที่ปัจจัยต่งตางๆสภาพะเป็นล้อมันก็กูุนมากและท่านไม่มีปัญหาในทางาาศาสนาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางด้านของคุณธรรมมันก็เปิดโอกาสกว้างก็เรียกว่าสิ่งตั้งหลายมันเกิดแก่ผู้ที่มีบุญทำให้โอกาสเหล่านี้ ก็มีคนดีมาเกิดขึ้นคนเหล่านี้ก็ทำบุญร่วมกันมากับท่านมนก็กลายเป็นโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่ฏูิเจ้าได้อตอบคำถามของท่านนกะุลบิดานกุลมารดานะเป็นใจความว่าคือท่านทั้งสองนะอยู่กันจนเฒ่าจนแก่รักใคร่ปลูกพัน์กันไม่เคยทะเลาะวิวาดกันเลย แล้วก็ต้องการจะเกิดเป็นสามีพันยากันอีกในชาติต่อไปเรกราบคุณถา ม, มพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปได้ไหมพระเจ้าทรงแสดงเป็นภาพรวมว่าคนเราเนี่สามารถจะเกิดร่วมกันได้หากว่าคุณธรรมสี่ประการในเสมอกันทรงใช้กรรมสมาเลยนะฮะศรัทธาสมาแปลว่าศรัทธาเสมอกันอย่า ก, กลางละเอียดไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่ ศีลสมามีศีลเสมอกันจารคัสมามีจารคัสมอกันปัญญาสมามีปัญญาเสมอการพลนบริวารของพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าทำบุญร่วมกันมาทำบุญโดยเสด็จคือใกล้เคียงกันมาแล้วถ้าเราไปศึกษารายละเอียดนะรายละเอียดย้อนพวกอัตตกถาต่างๆที่ท่านยกมาไว้เนี่ยเราจะพบว่ามีคนเป็นอันมากที่ทำบุญร่วมกันมาในภพชาติอดีตไกลๆเนี่ย แล้ท่านเยนเหล่านั้นแยกตัวไปบรรลุมรคผลเป็นประหารไปก็เยอะแล้วก็ตามผ่านพบชาติต่างๆมามาพบกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็เยอะเป็นมิตรก็มีเป็นศัตรูก็มีนะฮะก็เจอกันมานานคนอื่นเป็นสสู ก, กับปั้นไม่ใช่ท่านเป็นตตรู ก, กับเขาต่อมาก็พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่โกนธัญญะเนี่ยเกิดขึ้นในโลก ก็เสด็จออกไปรับแล้วก็สวายหมาทานแก่พระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากก็มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตัวเลขของพระตากษาจารย์บางทีก็ทำเฉยๆซช่มั่งเน่ยนะฮะคือตัวเลขทันมากเกินไปเอาก็นึกว่าตัวเลขเหล่านี้มันก็มีนัยยะอะไรชอบกวนอยู่แต่มาก็นึกมามันมากแ่่นั่นเอง ไม่ได้ติดใจในตัวเลขเท่าไรอัวํำนวนที่ท่านพูดเนี่ยเราก็นึกภาพไม่ออกแต่ว่าความเชื่อในแนวตรงนี้มันมีในาศาสนาทาั้งหลายหลายปีมาแล้วก็มีคนระดับระดับอะไรเขาเรียกว่าโตฮหญีนะคือมาต้องการได้คำพิอันกุอานที่อาจา ร, รย์ตวนแปรท่านก็รู้ท่านก็นำมาให้ เรามาให้หลายเล่มนะฮะเจ็ดแปดเล่มแล้วท่านก็มาหลังในท่านก็าภาพถ่ายมาให้ดูท่านก็บอกว่าวันพระเจ้าพิพากษาเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายที่ตายไปแล้วนี่จะฟื้นขึ้นมาแล้วมาประชุมกันตรงเนี้ยแล้วพระเจ้าก็จะพิพากษาให้คนเหล่านั้นไปอยู่สวรรค์ชั่วนิรันดรหรือว่าตกนรกชั่วนิรันดร ก็เกิดทรงไส้เฮลทับมันมาอย่างไงมาเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างเงี้ยนะเก้ก็บอกว่ามาเป็นเนื้อเป็นตัวอย่างเงี้ยบอที่มันเป็นกระดูกปนหมดแล้วทางไงฝังไปตั้งนานแล้วหลายพันปีแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาได้หมดคือรวมเป็นตัวได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่แปลกแล้วก็บอกว่าคุณเคยคิดหรือเปล่า วอกสัตว์ที่เกิดใหม่โลกคนเอาเฉพาะคนก็ได้เอาคนที่เกิดใหม่โลกเนี่ยมันกี่พันล้านแล้วที่ตายไปเกิดตายเกิดตายเกิดตายมันกี่พันล้านแล้วแล้วถ้าเกิดแกลุกพลุบขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อหนังมังสาอย่างเราเนี่ยพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่อ่ะอัตมาต่อให้เป็นล้านไร่เลยก็บรรจุคนไม่พอ แล้วท่านเหล่านั้นก็มาไม่ถึงแล้ว เ, เหยียบกันตายก่อนคือมันไม่มีเหตุผลเพราะในตัวตัวเลขของพระตฐาจารย์บางทีมันมากไปหน่อย่กันทุนี้ท่านพูดถึงเท่าไหร่นะฮะตัวเลขเนี่ยท่านพูดว่าจํานวนถึงแสนโกดมากไปหน่อยคือนึกว่าจะอยู่กันยังไงแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตคือท่านท่านไม่ค่อยสังเกตด้า น, นไม่ค่อยเฉลียว แต่คำเหล่านี้สดมากมันอยู่ระดับหนังสือรุ่นหลังนะฮะตรงอื่นไม่ค่อยน่าเกลียดน่าเกลียดที่ตัวเลขตัวเลขมันมากเกินไปมากจนไปจุดดินจินตนาการไม่ออกแต่ประเด็นตัวนี้ไม่ควรจะไปติดใจอะไรมากนะฮะคล้ายๆกับเราศึกษาเรื่องชาติบอกเรื่องนิทานโบราณทั้งหลายเนี่ยคือเราไปติดเครื่องสัตว์พูดได้อะไรพูดได้ แล้วก็ไปเสร็จว่าไม่จริงโดยไม่ได้มองว่าสัตว์พูดอย่างไงนั่นคือเนื้อหาที่เขาต้องการให้สัตว์พูดอย่างไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาต้องคิดอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเอสัตว์พูดได้ไม่จริงอะเลยก็ไม่ยอมมองดูอะไรเลยคือการส่งของนะฮะการส่งของซึ่งผ่านยุคผ่านสมัยผ่านท้องทินต่างๆมาเนี่ยมันต้องเพกให้ดีนะฮะมันโปร่งแตกแล้วก็ ถึงจุดหมายปลายทางไม่เหลืออะไรอยู่เลยก็ได้เพราะการนำสืบศาสนาบางทีมันก็ต้องมีขี้ฝ อ, อยขอไวอ้เพื่อรักษาคุณภาพบางสิ่งเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ตลอดสามเดือนนะคคือหนึ่งใจมากจนถึงจุดนึ่ง แล้วก็ถวายเขาเรียกว่าอาสตทิสถานอาสาทิสถานเนี่ยเป็นทานที่โอ้โหมันยิ่งใหญ่มากก็ยังนึกดูสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนางมารีกาเทวีเนี่ยเป็นคนถวายแต่ท่านบอกว่าพวกถวายทานอย่างนี้ได้มันต้องเป็นผู้หญิงนะกาแสดงว่าคงจะให้พระมเหสีเป็นคนถวาย เป็นคนควบคุมดำเนินการพอหลักฐานที่ท่านแสดงไว้เนี่ยมันบอกว่าต้องเป็นสตรีเท่านั้นจึงถวายถวาย ไ, ได้นะฮะสิทธิพิเศษของผู้หญิงเยอะนะในศาสนาฟุตเนี่ที่จริงคนรุ่หมยเนี่ยเขาจะพูดว่าพระพุทศาสนากฎขีดทางเพศที่จริงสิทธิโอกาสพิเศษที่สุภาพสตรีทำได้แล้วก็ผู้ชายทาไม่ได้นี่มีเยอะนะไม่เคยเออมาพูดกันเท่าไหร่ เพราะทานเหล่านี้มันเป็นการเสียสละสูงมากแต่เราอย่าลืมอ่าท่านมั่งคั่งโดยพว ก, กสมบัติทีนี้ประเด็นประเด็นสำคัญว่าไอ้บุญเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าบุญยสสำปทาปุญญสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งบุญบางทีท่านเรียกว่าปุญญาพิสันฐานะฮะการหลั่งไหลของบุญ ถ้าเราจะตั้งปัญหาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ไหมก็ไม่น่าจะดูอื่นไกลน ะ, ะดูคนที่ถวายโดยสมเด็จพระรเจ้กุศลหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จจ้าสมเด็จประเทศอะไรต่ออะเนี่ยเราลองดูคือยังพูดเล่นๆ น, นะฮะว่าในบ้านนี้เมืองเ น, นี้ใครที่มีคนถวายข้าวของมากที่สุดไม่ใช่พระนะฮะคือถวายในดวง ถาวายเพราะนั่นคือการหลั่งไหลของบุญเพราะท่านสมบูรณ์ด้วยบุญมันเป็นบุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลของบุญก็หลังหล่งไหลมาตามการกระทำของท่านได้มาท่างก็ให้ไปได้มาต่างก็ให้ไปมันก็เพิ่มบุญไปเรื่อยๆบุญก็หลั่งไหลมาได้เรื่อยๆคือถ้าเรามองเทียบเคียงอะไรไว้บ้างนะะมันก็จะเห็นถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด ก็อย่างที่บอกนะฮะถ้าจะมีข้อแม้ก็ข้อแม้เรื่องตัวเลขอย่างเดียวตัวเลขบางทีเราก็นึกไม่ออกอ่ะแต่ว่าจับประเด็นได้ว่ามันมากคือถ้าพูดระดับพันเนี่ยฮะท่านจะบอกตัวเลขแล้วเคยสังเกตว่าประมาณสักเท่าไหร่พันห้าแต่แต่เนี้ยนะฮะ แล้วตัวเลขที่สูงสุดซึ่งซึ่งบอกจำนวนสูงสุดนี่คือสิบเอ็ดนาหุดสิบสองนาหุดก็คือแสนสองเพราะถ้าเลยจากนั้นแหละมันแปดหมืนสี่พันหมดตัวเลขที่ที่แสนสองก็คือพระพุทปเจ้าพิมพิสารนะฮะกับบริวารตอนนั้นก็จะเป็นเลขพันหมายความถ้าเกินสามร้อยก็คือห้าร้อยเลยห้าร้อยก็คือพัน เป็นการนับเลขในลักษณะนั้นแล้วเคยเคยไปเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกอินเดียทีหนึ่งที่เนี้ยที่สารนาฏเนี่ยมันเป็นการประชุมพิเศษแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้ากันเราก็ดูคนวันนั้นอย่างมากนี่นะอย่างมากที่สุดเนี่สองพันห้านับยังไงก็ไม่เกิน2อง0ันห้าหาวงช้างซือพิมแขกผ้าถัวลงเป็นหมื่น ลงเป็นหมื่นไมก็นึกไม่นึกถึงพื้นที่แต่ว่าไอแนวตรงนี้ที่จริงหนังสือพิมพ์ไทยก็เยอะนะฮะเช่นสมมติว่าคนหลายแสนอยู่ที่ท้องสนามหลวงเห็น ไ, ไหมเราต้องนึกว่าท้องสนามหลวงนี่มันหกสิบเก้าไรแต่นั้นเองแล้วคนคนอะไรล่ะอยู่จุดหนึ่งประมาณหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันนั่งได้ประมาณสี่คน เป็นไปไม่ได้เลยที่หลายแสนจะอยู่ที่ท้องสนามโงเนี่ยเพราะในตัวเลขอย่างนี้มันก็พอๆกันน่นะฮพอกันคือจะพูดเกินเหตุไปแล้วก็มองในเชิงเนื้อหาอย่างนี้เราจะพบว่าความโน้มเอียงทางใจเนี่ยคือท่านจุติจากจากปรมาโลกก่อนจะเกิดปรมาโลกก็เป็นเป็นนักบวช แล้วก็เกิดเป็นพรหมพรมก็ไม่มีไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรไม่มีเทิดติดานะฮะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นพรหมหมดวันถ้าเกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแล้วก็ไม่ติดใจ ย, ยึดติดในทรัพย์สมบัติหลังจากถวายทานเสร็จตลอดเป็นเวลาแล้วก็พระพุทธเจ้ากนทัญญาก็สรงพยากรเหมือนเดิมนะฮะแบบ แบบที่พระพุทธเจ้าที่ปังกรทรงพยากรณ์จากนั้นท่านกสละราชสมบัติออกบวชเอาบวชเรื่อไอ้สิ่งที่มันอยู่ภายในจิตคือบารมีนะเป็นบารมีคือพระสมาธิก็เป็นบาร ม, อ ม, าาารมีอยู่ภายในจิตเพราะงั้นท่านบวชไม่นานเนี่ยท่านก็จเจริญมิปัสสนาบรรลุมรรคผลไปเลยกวันก่อนยังอ่านยังอ่านไม่ตลอดนะอ่านไม่กี่หนะ้า อนประวัติพระอาจารย์พุทธเนี่ยแล้วก็หนึ่งเออก็ทางก็แปลกมันมีส่วนมาช่วยผลักดันให้ท่านบายหน้าเข้าสู่พระศาสนาพอแม่ตายหมดตั้งแต่ทลายสี่ขวบญาติก็ต้องเอาไปเลี้ยงอยู่ทางภาคอีสานแล้วเขาก็ให้ศึกษาจนได้ทลายสมัยนั้นก็ปห ก, กันนะ ระยากก็ให้เรียนต่อก็ไม่ยอมเรียนนะฮะจะขอบวชแล้วก็บวชบวชแล้วปรากฏว่าท่านก็ปฏิบัติโน้มเอียงมาทางสมาธิโน้มเอียงมาทางวิปัสสนาีนสูงแล้วแสดงว่ามีอุปนิสัยปัจจัยมาในทางนี้คือทำอย่างอื่นรู้สึกไม่ค่อยไปอะฮะบริหารปกครองเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นไรทําไม่ค่อยด้เดียรแต่พอมาทางกรรมฐานแล้วไปเลย นั่นก็คือเรื่องที่อยู่ภายในจิตใจของท่า น, นพระโพธิสัตว์ในสมัยที่เป็นพระเจ้าวิชิตตาวีเนี่ยก็เหมือนกันมีความร่้มเอียงภายในใจของท่านก็อยู่มาในทางเนคขมัการออกบวชและในสุกสะละราจสมบัติออกหมดก็ออกบวชได้อปิญญาห้าสมาบัติแปด พวกนี้ก็คู่กันนะเกลือปิญญาในจริงมันมีหกะสมบูรณ์ล่ะก็มีหกแต่ก็มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่า น, นั้นเองก็ปัจเจากาพรพุทธเจ้าด้วยนะถ้าครบหกแล้วก็หมายความว่าพุทธบุคคลสามยมพวกท น, นั้นแต่ถ้าห้าเนี่ยคือพวกได้ชานเนี่ยเขาก็ได้ละวกลืปิญญาแต่ก็ไม่สมบูรณ์ตายแล้วก็บังเกิดในพรหมโลกีก ก็ผ่านสังสารวัตมาระยะหนึ่ง น, นานมาก็มาจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ามังคละมังคละท่านก็จุติลงมาสู่โลกมนุษย์อีกถ้าเราลองนับดูพระมังคละนี่ก็ที่จริงก็อันดับที่หกนะเรับเหี่คือแสดงสรุป ง, ง่ายๆนะรสรุป ง, ง่ายๆเพราะเรื่องเยอะเลก็กเรียกว่าเกือบทุกพระองค์ตอย่าลืมวาพุทธันดรมานานนึนยนั ท่านก็บังเกิดในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ามังคละจุติจากพรหมโลกนะฮะได้บังเกิดเป็นพรามมนนามว่าสุรุจิก็ในหมู่บ้านหมู่บ้านพรามก็จบใจเพศเวทางกษัตริย์ชำนิชัมนาญในด้านต่างๆเป็นดันมาที่เกี่ยวกับเรื่องของพรามเนี่ย ตลอดถึงศึกษาหมหาปริศลักษณะในความธรรมะในสำนักของพระพุทธเจ้าทรงบ า, บางระมังคละก็มีความเลื่อมใสประกาศตนถึงสรณะแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันในบ้านกลับไปบ้านแล้วคิดว่าภิกษุจำนวนเท่านี้สามารถถวายข้าวต้มข้าวสวยแต่และผ้าได้แต่สถ า, านที่เนี่ยจะนั่งทำกันยังไงพระเยอะเลยเกิ ก่อคิดของพราม์ก็เป็นเหตุเดือดร้อนถึงเทวดาเนี่ยก็เทวดามาช่วยก็มีปัญหาว่าบางครั้งบางคราวเราก็คิดโดยสามัญสำนึกของเราว่าเป็นไปไม่ได้ทําไมเทวดามาช่วยเยอะเหลือเกินอย่างเรื่องพระเวสสันดรเนี่ยแม้เทวดามาเข้าแทรกเป็นยาดํำอยู่เยอะเหลือเกินมันเป็นเรื่องของผู้มีบุญเป็นเรื่องของผู้มีบุญพอเราพอานึกถึงตรงนี้แล้วมันก็ตอบยากคล้ายๆกับความสําเร็จของนโปเลียนนะนโปเลียนโ ป, ปานาปัต จั ก, กรพรรดนินโปรเลียนของฝรั่งเศสเนี่ยมันเคยศึกษาประวัติเบื้องหลังของท่านบอกว่าปีศาจแดงที่อยู่เบื้องหลังนโปรเลียนคือการกระทําอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมีคนชุดหนึ่งมีอยู่ชุดแดงแล้วคนก็ได้ยินนะนโปรเลียนเถียงอยู่ข้างในแต่มองมาแล้วก็เห็นยืนพูดอยู่คนเดียวแต่ตอนที่แกดื้อจนถูกจับปล่อยเกาะนั่นแกไม่เชื่อปีศาจแดงนะ แสดงตักเตือนห้ามปรามยังไงเขาก็ไม่เชื่อเก็ว่าเป็นจั ก, กรพัทแล้วเนี่ยจั ก, กรพัทก็ใหญ่โตก็ลืมตัวไปแล้วในที่สุดก็พ่ายแพ้ตามที่คำบอกกล่าวของปีศา์แดงคือบอกไว้ก่อนวราในเทวดารักษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าคนบางคนเนี่ยนั่นทำไมรอดปลอดภัยไม่มีภั ย, ไ ม, มภยไม่มีอันตรายอยู่ได้แล้วก็เป็นผู้มีบุญเนี่ยเขาก็ถือว่าเทวดารักษา แม้แต่ในอนิสงส์ของเมตตาที่เคยยกไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์เทวดาให้การคุ้มครองรักษาวันพรามคนนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอถึงจุดที่ท่านจะทำขึ้นมามันมีปัญหาเรื่องที่อยู่ไอของถวายไม่แปลกแต่ว่าที่ไอพระนั่งนี่ยทำยังไงพระเยอะเหลือเกินริเ้เป็นการนิมนต์กระทันหันท้าสกะก็มาช่วย ช่วยจัด ก, การเรื่องที่เรื่องทางให้ด้วยเทวริษ น, นนะฮะแล้วก็ทั้งกพนาถึงไอสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาช่วยด้วยเทวานาภภาพบ้างบุญญาณภาพบ้างก็ะด้จากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์มีรพระเจ้าเป็นประธานแล้วก็ถวายทานเขาเรียกว่าเขาว่าปานะ คือขนมแป้งผสมนมโคเป็นเวลาเจ็ดวันในวันสุดท้ายก็ล้างบาทของพระแล้วก็ถวายพวกไก่เ็ เ, เรียกว่าเป็นสัตว์ห้าในสายใสนค้นน้ำมันน้าพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยพร้องกับผ้าไราจีวอนแลรับการพยากรณ์ก็ทำให้ท่านเพิ่มภูลปีติมากยิ่งขึ้นจนในสุดบำเพ็ญบราบรมีครบบริบูรณ์ทั้งสิบประการก็เสร็จแล้วก็เอาบวชี่ย เอาบวชบำเพ็ญเพี ย, พยบรบรรลุสมาบัติบรรลุอภิญญาห้าสมาบัติแปดแต่แล้วก็บังเกิดในพรหโมโลกอีกแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยคือถ้าอายุจริงๆในพรหมโลกเนี่ยมันก็แย่กันนานมากท่านอธิษฐานเพื่อจุติได้เขาเรียกว่า อ, อ, อธิมุตตาละคืออธิษฐานเพื่อจุติมาสร้างบารมีได้ นี่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างนะฮะยกมาเป็นตัวอย่างวันเนี้ยท่านก็ผ่านพบชาติมาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับการพยากรณ์ซ้ําๆมาโดยลําดับเพราะงั้นภายในจิตใ จ, จของท่านจึงเข้มแข็งผิดมนุษย์สามัญคือเราคิดอย่างท่านไม่ได้ทําอย่างท่านไม่ได้แต่นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างสามัญชนกับคนระดับพระโพธิสัตว์เท่าฟังทั้ ง, ง, งหาย แต่หลปงพโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี